หัวข้อสุขภาพเมื่อแนวแน่ที่จะไม่ฆ่าสัตว์ตลอดจนเว้นขาดจากการดื่มสุรายาบ้ายาอีรัศมีสุขภาพจะไม่บกพร่องเพราะกรรมอันเป็นปัจจุบันแต่รัศมีสุขภาพพื้นฐานอันเกิดจากกรรมฆ่าสัตว์เก่าๆยังอาจรบกวนคุณอยู่ก็บรรเทาได้ด้วยการปล่อยสัตว์ยิ่งสัตว์ใหญ่ยิ่งจํานวนมากยิ่งต่อเนื่องนานเท่าไหร่ ก็ยิ่งเห็นผลดีชัดเจนขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามสุขภาพของคุณจะไม่ดีขึ้นเพียงด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยวัวควายครบพันตัวหรือหมื่นตัวอย่างเดียวคุณต้องออกกำลังกายกินอาหารถูกสุขลักษณะเพื่อให้กระดูกแข็งแรงคงสร้างร่างกายพื้นฐานแน่นหนาเพียงพอด้วยมลพิษในปัจจุบันอาจทาให้ยากที่คุณจะหาอากาศดีดมีความบริสุทธิ์ไว้หายใจ กรข่าวและการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมออาจช่วยชดเชยอากาศดีๆได้บ้างแต่ก็ควรหาโอกาสไปฟอกปอดตามท้องถิ่นที่ปราศจากมลพิษเสมอๆด้วยหัวข้อฐานะการเงินหากคุณมีฐานะการเงินไม่สู้ดีมีแต่ความอัตคักติดขัดคุณคงหวังพิสูจน์กรรมวิบาก เอากับเรื่องลาบก่อนเพื่อนการไม่คดโกงไม่ช่อฉนไม่หลอกลวงเอาเงินใครมาอย่างไร้ความยุติธรรมผนวกกับการทำบุญกับศาสนาด้วยจิตปรารถนาจะได้ช่วยสืบทอดพระศาสนาคนละไม้คนละมือจะเป็นตัวสร้างรัศมีของผู้มีลาบขึ้นในคุณได้ดีที่สุดและจะเด่นชัดตั้งมั่นเมื่อกำเขาวดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องนานพอหากคุณหวังผลทางรัฐ เร่งรัดลาบด้วยการเสริมดวงด้วยการพยายามตกแต่ ง, งโงเฮ้งห่วงจุย้ยหรือด้วยศาสตร์แห่งเคล็ดลางใดๆก็อาจได้ผลในแง่ปรับสภาพผิวนอกฐานะการเงินก็อาจกระเตื้องขึ้นแบบผิวๆแต่ไม่มีแรงส่งในระยะยาวอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีวิบากในทางทรัพย์พินาศรออยู่ลาบลอย ไม่จำเป็นต้องมาจากรอตเตอรี่หรือหวยใต้ดินถ้าเงินมาง่ายคุณต้องเตรียมใจว่ามันจะไปง่ายด้วยเพราะลาบลอยไม่มีแรงคำจุนแตกต่างจากลาบที่มาจากงานประจําและบุญเก่าต้องยอมรับว่าการเป็นลูกจ้างกับการมีกิจการของตัวเองนั้นจะเอื้อให้กรรมศพช่องส่งผลแตกต่างกันหากเป็นลูกจ้างแม้กรรมจะช่วยอุดหนุนให้ได้ดีขนาดไหน ก็ไม่มากไปกว่าเพดานเงินเดือนและโบนัสที่คุณมีสิทธิจะได้รับเท่าใดนักแต่หากคุณมีกิจการของตัวเองผลกำไรจะขึ้นตรงกับกรรมเก่าและกรรมใหม่การขยันทำงานไม่ใช้จ่ายเกินตัวรู้จักเลี้ยงดูลูกเมียและบริวารให้อยู่ดีทำอันตรภาพรวมทั้งรู้จักแบ่งเก็บหอมรอมริบก็เป็นตัวแปรที่จะทาให้ฐานะการเงินของคุณขยับขึ้นได้ คือรัศมีของความขยันความไม่ประมาทและความรู้จักแจกจ่ายเกื้อกูลจะทำให้ชีวิตโดยรวมไม่ตกที่นั่งลำบากทางการเงินคุณไม่อาจกะเกณว่าเมื่อ น, นั้นเมื่อ น, นี้จะรวยขึ้นแต่คุณสามารถรู้ได้ว่ารังสีของทานและความซื่อสัตย์แข็งแรงหรือยังถ้ารู้สึกถึงความตั้งมั่นแข็งแรงในภายในเหตุการณ์ภายนอกก็จะปรากฏสอดรับกันไปด้วย ตรงข้ามหากอาชีพของคุณคือการหลอกลวงและฉกฉวยประโยชน์จากความไม่รู้ของลูกค้าแม้คุณจะได้เงินมากเงินนั้นก็จะร้อนไม่ทาให้คุณนอนสบายมีเหตุให้ต้องเสียเงินทองอย่างไม่น่าจะเสียอยู่เรื่อยหรือหนักกว่านั้นคือมีเงินแต่รู้สึกเหมือนไม่มีนี่คือความยุติธรรมของกรรมที่คุณประจักษ์กับตัวแต่อาจไม่อยากยอมรับ หัวข้อคนรักแต่และคนมีแรงดึงดูดหรือพูดง่ายๆว่าเสน่ห์ต้องตาต้องใจเพศตรงข้ามไม่เท่ากันปัจจัยที่ทำให้ทรงเสน่ห์มีอยู่มากต้องยอมรับว่ามนุษย์เราหลงรูปยึดติดในลักษณะต้องตาก่อนอื่นใดซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าแรงส่งของกรรมเก่ามีอิทธิพลสูงใครเคยทำทานด้วยศรัทธาเคยรักษาศีลด้วยความแน่วแน่ ชาติถัดมาก็เอารูปร่างหน้าตาดีๆไว้ใช้ล่อตาล่อใจใครต่อใครสบายไปอย่างไรก็ตามสเสน่ห์ที่จับใจคนในระยะยาวไม่ใช่รูปร่างหน้าตาทว่าเป็นน้ำใจความเมตตาความรู้จักพูดความเชื่อมั่นตลอดจนท่วงทีกิริยาแม้แต่คนที่มีบุญเก่าทางรูปร่างหน้าตาไม่ดีนักก็สามารถเพิ่มแรงสเสน่ห์อันเป็นภายในได้ ในช่วยเวลาที่ปรับเปลี่ยนนิสัยบางอย่างให้ตั้งมัน่นในทางตรงข้ามแม้สวยหล่อเลิศเลอแต่นหน้าดำาครื่องเครียดกับเรื่องตกต่ำทั้งหลายทั้งเล่าทั้งการพนันทั้งคำพูดคำจาสารพัดพิษก็ทำบุญเก่าสุดโสมลงหรือแม้รูปร่างหน้าตาอย่างดีก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้คนกรรมเหม็นน้อยคนที่ทราบความลับประการหนึ่งของเกมกรรม นั่นคือสเสน่ห์ไม่ได้อยู่แค่ที่รูปร่างหน้าตาท่วงทีกิริยาและการพูดจาเท่านั้นทว่าอย่างตั้งต้นออกมาจากวิธีคิดอันเป็นของภายในเลยทีเดียวกระแสะความคิดจะถักทอรัศมีออกมาเสมอนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนั่งนิ่งๆอยู่ใกล้บางคนแล้วคุณฟุ้งซ่านจับจดตามเขาขณะกับอีกคนคุณรู้สึกมีสติมีความกระตือรือร้อนมีความคิดด้านบวก คนฟุ้งซ่านมากๆจะขาดเสน่ห์ในกระแสความคิดส่วนคนคิดได้เป็นระเบียบและคิดได้อย่างตื่นตัวกระตือรือร้นจะก่อรังสีสเสน่ห์ในตัวเองโดยยังไม่ทันต้องพูดนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้รู้ประจักษ์ได้ด้วยตนเองทว่าไม่มีใครสังเกตชัดๆอย่างไรก็ตามสเสน่ห์เป็นแค่แรงดึงดูดไม่ใช่ใบรับประกันว่าคุณจะพบกับคนรักถูกใจ การพบคนรักที่คุณจะรักดูดดื่มจริงๆยังอิงอาศัยเหตุปัจจัยมากกว่าสเสน่ห์เช่นอดีตชาติเคยอยู่ร่วมกันมาและปัจจุบันชาติได้มีโอกาสเกื้อกูลกันระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่ากรรมใหม่ประการเดียวจะช่วยให้คุณพบรักที่หวานซึ้งได้เหมือนฝันแต่ให้หวังว่าสเสน่ห์จะไม่ทาให้คุณเงียบเหงาและในที่สุดจะดึงดูดคู่ที่เคยร่วมบุญ ให้ได้มาพบกันหัวข้อที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนบ้านใหม่เป็นตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิเพราะที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวกําหนดว่าทุกๆวันคุณจะรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ประมาณใดระยะแรกอาจปิติโสมนัหรือผ่องใสกับความใหม่ของบ้านมาก และแม้ระยะต่อมาจะเริ่มชาชินแต่ก็มีความสุขความพอใจในที่อยู่เป็นพื้นฐานบุญจะไม่ลงมือก่ออิดถือปูนสร้างบ้านสวยๆให้คุณอยู่แต่บุญจะทำให้คุณมีสิทธิ์ได้อยู่บ้านสวยๆในทำเลเหมาะๆบ้านที่เป็นบ้านของคุณอย่างแท้จริงนั้นอาจเป็นเงาสะท้อนของตัวคุณเองเพียงแต่ไม่ได้อยู่ในกระจกเงาแต่ตั้งอยู่บนที่ดินผืนที่คุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ ถ้าจิตและกรรมของคุณแตกต่างไปมากๆกระทั่งบ้านเก่าของคุณรองรับไม่ไหวจะมีเหตุบีบคั้นให้หาบ้านใหม่และมัาเป็นบ้านที่สอดคล้องกับจิตและกรรมใหม่ของคุณโดยตรงฉะนั้นเมื่ออยู่บ้านใหม่คุณจะรู้สึกไม่แปลกแยกไม่ผิดที่ผิดทางภายในสองสามวันจะมีความเป็นกันเองกับบ้านราวกับอยู่ที่นั่นมาตลอดต้องเข้าใจว่า ภาวะความร่ำรวยไม่ได้วัดจากคฤหาสน์หรือประสาทราชวังหลังโตๆโตโตใดๆแต่วัดจากความเปี่ยมสุขที่มีจากสมบัติและสิ่งแวดล้อมในเมื่อบ้านเป็นตัวคุณสิ่งแวดล้อมของบ้านมีผลกับคุณถ้าคุณย้ายบ้านก็คือเปลี่ยนหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญที่สุดของชีวิตการจะมีกำลังเปลี่ยนบ้านนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียว บางคนแม้อาศัยศาสตร์เช่นหวงจุ้ยมาช่วยเลือกบ้านให้ชะตาดีขึ้นทั้งตำแหน่งที่ตั้งทั้งทิศทางทั้งรูปลักษณะบ้านทั้งสิ่งแวดล้อมแต่ในเมื่อลักกรรมเดิมไม่ได้ก็ไม่พ้นต้องเจออะไรแบบเดิมๆอยู่ดีแค่พลิกเหลี่ยมพลิกมุมชะตาเพียงเล็กน้อยจนเหมือนอะไรๆกระเตื้องขึ้นไม่นานก็ต้องกลับเป็นเหมือนเมื่อครั้งอยู่บ้านเดิมอีก ยิ่งคุณทดลองใช้ศาสตร์เกี่ยวกับเคล็ดลางมาช่วยมากขึ้นคุณจะยิ่งพบว่าถ้าไม่มีอะไรกระตุ้นให้คุณเปลี่ยนแปล ง, งจิตใจวิธีคิดวิธีพูดและวิธีทำกระทั่งเกิดนิสัยใหม่ตั้งมั่นชะตาชีวิตของคุณจะย่ำอยู่ในวงจรเดิมๆ เ, เสมอเมื่อภายในอันเป็นผู้สร้างบ้านที่แท้จริงของคุณเปลี่ยนแปลงแม้คุณไม่ย้ายบ้านบ้านเดิมก็จะเกิดการดัดแปลงบางอย่าง ให้เข้ากับกรรมใหม่ของคุณไปเองเช่นความหนักของคานอัปมงคลบางคานจะเบาลงสัมผัสได้ด้วยจิตของผู้ที่รู้ได้หรือไม่ก็จะมีเหตุให้ตกแต่งต่อเติมและปรับปรุงลักษณะบ้านให้มีลักษณะเข้าที่เข้าทางเข้าทิศเข้ามุมดีขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องตั้งใจแต่อย่างใดเลยโดยทั่วไปหากคุณเป็นเจ้าของบ้าน หรือมีอิทธิพลครอบครองดูแลบ้านจะสะท้อนกรรมให้เห็นชัดประการหนึ่งคือคุณทำความพอใจให้คนอื่นไว้อย่างไรบ้านและสิ่งแวดล้อมก็จะให้ความพอใจกับคุณอย่างนั้นคุณจะไม่สามารถชอบบ้านที่เข้ากับกรรมของคุณไม่ได้แม้ฝืนเข้าไปอยู่ก็จะเหมือนขับใจหรือถูกผลักไสออกมาเมื่อเห็นตัวอย่างของการเปลี่ยนบ้าน ก็จะอนุมานการเปลี่ยนพบของตัวเองในเกมกรรมใหม่ได้แต่ขอให้ทราบว่าถ้าบุญของคุณถึงสวรรค์บ้านหรือประสาทราชวังไหนในโลกมนุษย์ก็ยากจะทำให้คุณรู้จริงๆว่าที่อยู่ในอนาคตควรแก่การพิจสมัยสักขนาดไหน